สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ innovation for life ค่ะนวัตกรรมเพื่อชีวิตนะคะกับดิฉันคุณกนิษฐ์ทองเงาวันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสายสุขภาพค่ะซึ่งทางคุณการชนิดเทอดโยทินค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัด ต, ตากได้พัฒนาที่นอนน้ำนะคะซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วย ที่เป็นแผลกดทับได้เป็นสุดยอดนวัตกรรมของพยาบาลไทยเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องของแผลกดทับเนี่ยก็ สร้างความทุกข์สาหัสให้กับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่พบมากและที่ผ่านมาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในการดูแลก็คือแผลกดทับนี่แหละค่ะโดยผู้สูงอายุที่ป่วยส่วนใหญ่มักจะพบว่าแผลของตัวเองหายช้าแล้วก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่จะเกิดแผลใหม่ด้วยแผลกดทับก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ป่วยที่มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวด้วยนะคะ ซึ่งสาเหตุก็คือเป็นแผลที่เกิดจากการกดทับบริเวณหลอดเลือดฝอยเป็นเวลานานๆจนทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือด จนทำให้เนื้อเยื่อขัดเลือดนะคะแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถไปเลี้ยงได้และที่สุดแล้วเกิดการตายของเนื้อเยื่อแล้วก็ผิวหนังขึ้นก่อนจะเริ่มบวมแล้วก็มีน้ําขังจนกลายเป็นแผลผุพองและกลายเป็นแผลถลอกซึ่งผู้ป่วยด้วยแผลกดทับนี้ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ย่ําแย่แล้วก็ทุกขทรมานอย่างมากทีเดียวค่ะซึ่งคุณการชนิดเทอรดโยธินพยาบาลวิชาชีพชํานาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล น, นะคะบ้านฉลาดตําบลป่าม่วงอําเภอเมือง จังหวัดตากซึ่งคุณชนะคุณการชนิดเนี่ยก็ได้คลุกคลีอยู่กับสภาพความเดือดร้อนของผู้ป่วยแผลกดทับมาตลอดชีวิตการทำงานของเธอนะคะโดยเฉพาะกับผู้ป่วยยากจนที่เข้าไม่ถึงการรักษาเธอจึงตัดสินใจทุ่มเทนะคะเพื่อที่จ ะ, ะทำงานในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมารายละเอียดต่างๆเราจะไปพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับ ที่นอนน้ำเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยกดทับกับคุณการชนิดเทอดโยทินอีกสักครู่ค่ะรายการ Innovation for Life Innovation for Life ในวันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณการชนิด เทิดโยทินค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัด ต, ตากเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนานรรวัตกรรมที่มีชื่อว่าที่นอนน้ากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณการชนิดที่ได้กาได้มีการพัฒนานวัตกรรมที่มีชื่อว่าที่นอนน้าและเป็นเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยแพลกดทับทีเดียวซึ่งในเบื้องต้นทีฉันก็ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับที่นอนน้ำคืออะไรอยากให้คุณพยาบาลคุณการชนิดเนี่ยค่ะได้อธิบายถึงแนวความคิดแล้วก็ที่มาของการพัฒนานวัตกรรมที่นอนน้ำกันก่อนค่ะ อ, อ๋อได้ค่ะก็คือที่มาของนวัตกรรมก็คือในปัจจุบันนะคะในชุมชนนะคะซึ่งพบป่วยที่ เป็นแผลกดทับมากขึ้นนะค ะ, ะไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุจากผู้สูงอายุหรือจากโรคเลือดลังก็คือเส้นเลือดติดแตกในสมองนะคะซึ่งพี่นุษย์เป็นพยาบาลที่ดูแลในชุมชนนะคะก็จะพบผู้ป่วยเนี่ยมากขึ้นทุกปีทุกปีนะคะก็แล้วเวลาเจอคนไข้หนึ่งรายเนี่ยเราจะต้องเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่องและครั้นี้มันจะต้องมี ที่นอนที่ใช้สําหรับป้องกันแผลกดทับเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นแผลกดทับนะคะแต่คร น, นี้เวลาเราจะหาที่นอนแต่ละครั้งเราจะต้องไปขอยืมแม่ไข่หรือว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศินมหาราชเนี่ยค่ะซึ่งมันก็ต้องรอคิวอะค่ะเขามีสนับสนุนแต่เราต้องขึ้นคิวไว้กว่าที่เราจะได้ที่นอนมาเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดแผลกดทับ ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอะเราน่าจะทำอะไรที่มันช่วยซัพพอร์ตหรือการป้องกันของของผู้ป่วยเนี่ยในบริบทของพยาบาลชุมชนอได้ดีที่สุดก็เลยไปเซิร์ชข้อมูลดูแต่ในประเทศไทยข้อมูลไม่มีให้ศึกษา mm hmm. ก็เลยเข้าไปศึกษาที่ที่ในข้อมูลต่างประเทศก็พบว่าเมื่อนานมาแล้วมีที่นอนน้ำซึ่งใช้ป้องกันแผลกดทับได้ดีนะคะอ่า แต่ไม่นิยมใช้ในต่างประเทศเพราะว่ามันเป็น PVC ีซีแล้วก็มันกระแตกง่ายคันนี้ก็เลยเอามาคิดในบริบทของตัวเองก็คือใช้ถุงปัะสสะาวะที่เป็น<ม>สําหรับผู้ป่วยนะคะถุงใส่ใส่ปะสะะัสสาวะสําหรับ่ผู้ป่วยที่จะต้องใส่ใส่สวนคันนี้แต่เป็นถุงใหม่นะคะ<ม>อ่าเสร็จแล้วก็เอามานําเรียงต่อ ก, กันแล้วก็เย็บเป็นผืนที่นอนให้กับผู้ป่วยได้ใช้ประกวดว่าผู้ป่วยเนี่ย อไม่มีแผ่กระทบเลยนะคะแล้วก็ลดภาร ะ, ะของญาติในการพิจารณาแข่งตัวญาติแทนที่ว่าญาติจะต้องมาพิจารณาแห่งตัวทุกสองชั่วโมงก็ทําให้ญาติเนี่ยได้มีเวลาดูแลตัวเองบ้างแล้วก็อทำมาหากินหาเงินให้ครอบครัวได้มากขึ้นอ่ทาทีนี้มันก็มีปัญหาว่าถุงเนี่ยมันแตกง่ายซึ่งมันเป็นถุงที่ผลิตนําเข้าจากประเทศจีนค่ะอ่แล้วมันเป็น มันเป็นพีวีซีซึ่งการใช้งานการทนทานของมันไม่มีก็จะอยู่ได้แค่เดือนเดียวเนี่ยค่ะ mm hmm. แล้วก็ทำให้ถุงเกิดแตกขึ้นมาอ่็เราก็เลยคิดว่าเอ๊จะทำยังไงจะให้อ่ถุงเนี่ยมันทนทานมีความยืดหยุ่นดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูข่าวว่ายางพาราไทยกำลังราคาตกก็คิดว่าเออมันน่าจะ ยางพลาน่าจะดีกว่าก็อ่าเลยอ่าให้มาเป็นถุงยางถุงซึ่งเป็นลอนน้ำํำยางพลาในการใช้งานกับผู้ป่วยที่ติดเตียงณปัจจุบันนี้่ค่ะออืค่ะที่ว่าที่นอนน้ําเนี่ยค่ะจะต้องมีน้ําอยู่ในที่นอนไหมคะอันนี้ถามตามตามชื่อเลยใช่ค่ะมีน้ําอยู่ในในในลอนในลอนที่นอนนะคะอ๋อ ค่ะก็คือผู้ป่วยเวลานอนมันก็จะแบบนุม่มนิ่มอย่างงั้นใช่ไหมคะอันนี้จินนาการใช่คแต่แต่มันก็จะมีมีการวัดตวงของน้ำซึ่งซึ่งหลังจากที่เราพัฒนาว่ามันเหมาะสมกับผู้ป่วยผู้ป่วยแต่ละรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังจะท ม, ม, มอยู่ว่า ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างอย่างที่อย่างที่คุณการชนิดพูดในเบื้องต้นว่าในส่วนในตอนแรกที่ใช้ถุงถุงสำหรับใส่ปัสสาวะที่เป็น PVC เนี่ยมามาร้อยเรียงกันแล้วก็มันก็จะแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในในในการนอนของผู้ป่วยแต่ละคนน้ำหนักก็จะจะ จ, ะจะไม่เท่ากันถูกต้องไหมคะใช่จะแตกต่างกันใช่ฉะนั้นที่นอนก็ต้องมีขนาดว่าสำหรับ สำหรับที่นอนอันนี้เหมาะสำหรับคนน้ำหนักเท่าไหร่เท่าไหร่แบบนี้ใช่ไหมคะก็จะมีการใช่ค่ะซึ่งซึ่งมันก็จะทำให้ให้เร า, าคาดคะเนหรือว่าประมาณค่อนข้างจะยากนิดนึงกับกับการเติมน้ำีค่ะแต่เราก็อยากจะหาที่มันเป็นแบบกลางๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่สามารถที่จะนอนที่นอนนี้ได้ในไซส์เดียวกันนีง ค่ะอยากให้คุณการชนิดอธิบายอี ก, อกนิดนึงค่ะว่าที่นอนน้ําที่คุณการชนิดพัฒนาขึ้นนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะอะที่นอนน้ํำ ข, ของพี่ที่พัฒนานะค ะ, คะตอนแรกเนี่ยหลังจากที่เป็น TPC แล้วเนี่ยเราไปพัฒนาจากของร่วมกับของกัญญางสถาบันวิจัยยางแห่งประเทศไทยอะคะ่ะซึ่งสถาบันวิจัยยางทาตัวต้นแบใบให้เรา ตามตามตามที่ที่เราลองขอไปซึ่งจริงๆเราลองขอว่าอยากได้ขนาดสายเก้าสิบเซนนะค ะ, ะแต่ครันนี้เนี่ยหน้าเพจของการการรีดยางอะคะ่ะมันจะมีแค่ส5สิบห้าซึ่งเครื่องจักรของของศูนย์วิจัยเนี่ยก็จะอะค่อนข้างจะเก่าล้าสมัยนิดนึงนะคะอันนี้ก็สามารถทำให้เราได้แค่หน้าสี่บห้า ซึ่งมั น, เ ป, นเป็นตัวต้นแบบที่มีประโยชน์มากเลยซึ่งเราเอามาต่อยอดได้เพราะว่าขนาดตัว45เนี่ยเวลาเอามาต่อกันเนี่ยมันจะเกิดร่องกลางก็เป็นปัญหากับคนไข้ว่าคนไข้นอนแล้วตรงกลางอ่ะมีรมีล่องจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเวลา ขับถ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีปัญหาขึ้นมา mm hmm. อ่าคราวนี้เราก็จะขอทางสถาบันน้จยัยยางพัฒนาให้มันเป็นรลอนยาวก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้เราก็เลยเข้าไปหาตรงศูนย์เอ็มเทคค่ะว่ายางให้ให้ยางเนี่ยมันยาวเป็นเก้าสิบหรือ 95, เก้าสิบห้าเซนซึมันเหมาะกับร่างกายของของคนไข้ไม่ว่าจะไซส์เล็ก กางหรือใหญ่ซึ่งตัวรอนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยยางพาราธรรมชาติรลเป็นๆนะคะแล้วก็ค่ะเป็ น, นะะยางพาร า, าธรรมชาติร้อยเป็ น, ปนแล้วก็ใช้สารฟูดเกรดซึ่งตัวยางพาราที่เราพัฒนามาเนี่ยแต่ดึงสารในตตวซา ม, มินซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเร็งกับผีหนังผู้ป่วยแล้วก็ ใช้สารฟูเกตเต็มเต็นเข้าไปโดยไม่มีสารเคมีอย่างอื่นเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยอายุการใช้งานของยางที่ได้มามันก็จ ะ, อ, ะอยู่ที่ห้าถึงเจ็ดปีแล้วก็จะย่อยสลายตามธรรมชาติซึ่งจะไม่มี พิษมีมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมด้วยดีต่อผู้ป่วยแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมองนี้ค่ะ uh huh. ค่ะก็คือไม่มีผลข้างเคียงสำหรับผู้ป่วยเพราะว่าบางทียางพา ร, ราบางบางท่านอาจจะเกิดอาการแพ้แบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ได้<ต>ไม่ได้มีผลใช่ค่ะใช่ค่ะไ ม, มไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยทีนี้ในส่วนของ uh huh. ที่นอนน้ำในในในแต่ละก็ เ, เรียกว่าในในเขาเรียกว่าเป็นที่นอนเป็นเตียงเป็น เป็นผืนเนาะเป็นที่นอนนะคะเป็นผืนเป็นผืนที่นอนน้ำในแต่ละผืนเนี่ยค่ะจะใช้แบบเรียกว่าปริมาณยางพารามากไหมคะแบบทั้งผืนไหมหรือว่าต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะอ อ, อ, อ, อยางพาราคือคือเราเราให้ให้โรงงานของเอกชนนะคะเขาเป็นคนที่ที่เ อ, อด้ท่อหรือว่าเอ็กโซท่ อ, อ, อ, อยางมาให้เรานะคะ แต่คันนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าโรงงานเนี่ยเขาจะมีส่วนผส ม, มใน<ะ>ขบวนการนั้นๆเท่าไหร่แต่รู้ว่าส่วนผสมของเขา อ, ะอ่ะมียางพลาธรรมชาติเราจะเซ็นแล้วก็มีสารฟิชเกตให้เราซึ่งมั น, ม, น, ม, นมันปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ได้รับใบเซอร์จากของทางอีด้วยเพราะว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานะระดับ ของต่างประเทศเลยเนี่ยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกัน ร, ระหว่างโรงพยาบาลกับภาคเอกชนใช่ไหมคะโรงงานภาคเอกชนในการพัฒนาที่นอนน้ําขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับจากเดิมที่ทางคุณการชนิดได้บอกว่าที่นอนเพื่อที่จะช่วยการพลิกตัวหรือว่าให้ผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับเนี่ยได้นอนเนี่ยกว่าจะไปเข้าคิวกับโรงพยาบาลเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่ของจังหวัดใช่ไหมคะ ใช้เวลาใ ช, ใช้เวลาค่อนข้างนานทีนี้พอเราพัฒนาสามารถพัฒนาที่นอนดามได้เองความเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นยังไงบ้างคะก็ระยะแรกๆนี่ก็ถามว่าคนไม่รู้จักไม่รู้จักที่นอนนา้านะคะเพราะว่า อ, อไม่ไม่มันจะมีแต่ที่นอนลมที่นอนโฟมที่นอนเซลที่ขึ้นตามอ่าอ่า ตามตามเว็บไซต์หรือว่าตามที่เราแหล่งที่เราจะค้นหาหรือตามร้านขายเครื่องมือแพทย์ก็จะมีที่นอนลมเป็นหลักที่นอนโฟมที่นอนเซลล์เขาจะไม่รู้จักอที่นอนน้ําเลยคันนี้เนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาแล้วก็เราได้เอาไปประกวดระดับประเทศเราก็ได้อ่ชนะเลิศอันดับหนึ่งของของอ สาขาหมอครอบครัวนะค ะ, คะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ที่ช่วยผู้ป่วยได้อย่างมากเลยคันนี้พอเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็พยายาม่ายแพร่แล้วก็อยากจะทำงานวิจัยเต็มรูปแบบก็เลยทำงานวิจัยให้กับกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งฉบับและตีพิมพ์ไปแล้วเมื่อตีต้นปีหกหนึ่งค่ะแล้วก็อพอหลังจากนั้นก็กลับมาทำงานวิจัยร่วมกับ สถาบันสวทชหรือว่าของเอ็มเทคค่ะเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานที่นอนน้าในเวอร์ชั่นของประเทศไทยในเวอร์ชั่นของคนไทยในเวอร์ชั่นที่มันเป็นวัสดุของของคนไทยทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือเป็นผ้าที่ทำปลอกของรอนที่นอน ก็คือธรรมะจักราพอย้อมคลา ม, มซึ่งเป็นภาพ้ายเป็นธรรมชาติล้วนๆค่ะค่ะก็ถือว่าตอนนี้ที่นอนน้ำเพื่อสุขภาพนี้เพื่อช่วยผู้ป่วยแพ้กดทับนี้ได้นำไปทดลองใช้งา น, นจริงหรื อ, อยังคะอ่าได้นำไปใช้จริงค่ะ ห, หลังจากอ่าติดตั้งการทดสอบติจ้งการทดลองก็คือผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะ ปกันไถกดทับได้ลดลดแรงกดทับในในขณะที่นอนนานๆ น, น, นะคะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยช่วยฟื้นฟูยังไงถ้าคนไข้นอนที่นอนน้ําแล้วเรากายะภาพตามข้อตามกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยระบบไหลเวียนดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็บางท่านก็กลับมาอพลิกตะแคงตัว ม, มานั่นงแล้วก็มาขับเดินด้วยตัวเอง และลดภาระของญาตินะคะในการที่จะต้องมาสูเสียค่าใช้จ่ายในการทำแผลกดทับนะคะแล้วก็ยังมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการที่ไม่ต้องไปคอยพิประแทงตัวทุกสองชั่วโมงเหมือนที่นอนอื่นๆนะค ะ, ะสามารถที่จะยืดระยะเวลาออกไปถึงุกชั่วโมงได้นะค ะ, ะตัวนี้ค่ะจะทำให้ญาติเนี่ยสามารถได้พ<บ> <ทบ S 1> ักผ่อน<ช>ได่ได้ใช่เอ่อ พักก่อนแล้วก็มีเวลาทำกิจกรรมอื่นๆหรือออกไปทำมาหากินหาไรายได้ให้กับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะค่นะณปัจจุบันได้มีเรียกว่าได้มีผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเนี่ยติดต่อเข้ามาขอใช้ที่นอนน้ำมากน้อยแค่ไหนค ะ, ะเยอะมากค่ะแล้วก็เราก็เลยทำทำเป็นธุรกิจเล็กๆของเราซึ่งใช่ค่ะเชิงพาณิช เพราะว่าที่ที่ต้องทำเพราะว่าเราเราต้องไปคู่มาพัฒนากู้งเงนมาพัฒนาถามว่าที่เราจำเป็นต้องทำเพราะว่าหนึ่งบังคับด้วยด้วยสถานการณ์ของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยการขึ้นบัญชีสิปสะดิษฐ์ไทยซึ่งจะเป็นนิติบุคคลนะคะแล้วพี่นุชเนี่ยเป็นพยาบาล สามีก็ไม่ได้เป็นข้าราชการทั้งคู่ก็เลยต้องใช้ชื่อลูกสาวนะคะในการที่จะต้องอทําทําทางนิติบุคคลนะคะก็ได้ทําในอรูปแบบชิงพาณิชย์แล้วก็จําหน่ายในราคาที่ถูกกว่าต่างประเทศมากเออ่สามารถสามารถที่จะช่วยผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยกับญาติเนี่ยได้ได้เป็นที่แล้วก็ ยังลดค่าใช้จ่ายของประเทศชาติได้อีกด้วยคะค่ะก็ต้องบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับอย่างที่คุณการชนิดบอกตั้งแต่ต้นแหละว่าคนที่เป็นญาติเนี่ยต้องคอยมาพลิกตัวตลอดเวลาแล้วที่เราพูดคุยกันก็คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของที่นอนน้ำก็คือผู้ป่วยสามารถนอนได้นานๆใช่ไหมคะประมาณ6กชั่วโมงใช่ไหคะไม่ต้องไม่ต้องมาพลิกตัว ใช่ค่ ะ, คะจริงๆอ่ะสามารถที่เราทดสอบอของของเอ็มทิเนี่ยสามารถนอนนานได้ถึงยีิบสี่ชั่วโมงโแต่แเราไม่ใช่ค่ะเราไม่อยากให้ผู้ป่วยนอนนานถึงขนาดนั้นเพราะเราต้องการให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้ไวเอต้องการรีเล็กรีแลกข้อนะคะกล้ามเนื้อเช่นเอ็นให้กับผู้ป่วยจะทําให้ระบบไหลเวียนมันโฟดีแล้วก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาช่วยเหลือตัวเอง ได้<ม>ายขึ้นนะคะค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ที่ช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยเองแล้วก็ญาติผู้ป่วยให้พ้นจากความทุกข์นะเพราะว่าคนที่เป็นผู้ป่วยแพลกดทับนอกจาก จะเกิดความทุกข์โชนามาแล้วคนที่เป็นญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยก็จะต้องมีภาระเพิ่มขึ้นเป็นการช่วยเหลือกันแล้วการเข้าถึงที่นอน ใ, ในลักษณะแบบช่วยเหลือแบบนี้ก็อย่างที่คุยกันว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเหมือนกันหรือถ้าไปนําเข้าจากต่างประเทศสําหรับคนที่มีรายได้น้อยก็เข้าไม่ถึงฉะนั้นนวัตรกรรมนี้ที่นอนที่นอนน้ำเนี่ยสามารถแบบเรียกว่ า, าผู้มีรายได้น้อยที่มีญาติ ที่อยู่ในบ้านป่วยเป็นแผลกดทับก็สามารถที่จะเข้าถึงเรียกว่ า, าสามารถซื้อไปใช้ให้กับผู้ป่วยได้ใช่ไหมคะได้ใช่ค่ะค่ะก็อยากให้ทางคุณการชนิดหรือคุณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเนี่ยค่ะได้สรุปอีกครั้งหนึ่งถึงความโดดเด่นของที่นอนน้ำที่ได้พัฒนาขึ้นค่ะว่ามีคุณมีคุณสมบัติแล้วก็มีความโดดเด่นอะไรค่ะค่ะ ก็สำหรับที่นอนน้ำนะคะก็คือมีคุณสมบัติที่โดดเด่นก็คือช่วยลดแรงกดทับนะคะป้องกันแผลนกดทับได้นะคะในสําหรับผู้ป่วยที่นอนนานอันที่สองสามารถที่จะกายภาพบนที่นอนน้ำและทําให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะคะอันที่สามก็คือช่วยลดภาระของญาดนะคะในการที่จะต้องพลิกเปลี่ยนท้าให้กับผู้ป่วยเบ่อยทุกสองชั่วโมงแต่เรา สามารถที่จะขยับไปเป็น 5-6 ชั่วโมงได้ก็จะทำให้ญาติเนี่ยสามารถที่จ ะ, ะพักผ่อนหรือมีเวลาไปหารายได้มาให้ครอบครัวเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะแล้วในอานาคต น, นะคะมีแพลนที่จะต่อยอดที่นอนน้ำนี้อย่างไรบ้างค ะ, ะมีแลนค่ะก็ร่วมมือกับทางสวทชหรือว่าเอ e ม h ในการพัฒนาต่อยอดอ ซึ่งมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะซึ่งซึ่งเป็นพี่พยาบาลเขาเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะทำที่นอนที่เป็นนิเานา้าและปรับอุณหภูมิให้กับผู้ป่วยผ่าตัดสมองและหัวใจ อันนี้เบื่องต้นได้ได้เกินแล้วก็คุยกันเรียบร้อยแล้วก็รอที่จะทำสัญญาในการที่จะวิจัยร่วมกันค่ะค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะค่ะติดต่อได้ที่นุตเลยนะคะการชนิดเพอร์เดทินนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดแปดแปดหนึ่งสามแปดแปดเก้าสามศูนย์แปดหนึ่ง 5้าสามสองเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเฟซ o ุ๊กโซกู๊ดว8ดโซ8ู๊ดอดีนศูย์แปดแปดแปดหนึ่งสามแปดแปดเก้าสามค่ะค่ะอีกนิดนึงค่ะสำหรับนวัตกรรมที่นอนน้ำนี้นะค ะ, ะเขาเรียกว่าได้ได้ผ่านการจด อ, อนุสิทธิบัตร หรือว่าสิทธิบัตรหรื อ, อยังคะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วผ่านเรียกว่าองค์การอาหารและยาต้องต้องไปผ่านไหมคะเพราะาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อ, อ๋เ อ, อเราถามอาจารย์อาจารย์ทางเพจตัดซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม ง, งานของออควบคุมเครื่องมือแพทย์นะคะ เ, ออเขาบอกว่าให้ของเราเนี่ยซึ่งทามาจากธรรมชาติก็เหมือนสมุนไพรเหมือนสมุนไพรอะคะ่ะมันจะมีออมาตรฐานซึ่งเกี่ยวโยงกับ กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งยกเว้นยกเว้นนะคะอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องไปขอขึ้นทะเบียนกับออยอ อ, อ, อยอมีข้อยกเว้นให้ะ ค, ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือนวัตกรรมที่นอนน้ำนะคะซึ่งเป็นสุดยอดนวัตกรรมของพยาบาลไทยนะคะของคุณการชนิดเทอร์โยทินช่วยเหลือผู้ป่วยแผลกดทับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยืนยันในเรื่องของอ คุณสมบัติการรักษาแผลสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับลดการระคายเคืองนะคะแล้วก็ยังยับยั้งแบคทีเรียเป็นนวัตกรรมที่เป็นการพัฒนาจากนักวิชาการในประเทศไทยของเราไทยทำเองใช้เองนะคะแล้วก็สามารถส่งผ่านเรียกว่า ให้ผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถเข้าถึงในเรื่องของการดูแลการรักษาพยาบาลได้มากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณคุณการชนิดเทิดโยธินนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ทําให้เรารู้จักนวัตกรรมดีๆแบบนี้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพกันขอบคุณอีกครั้งค่ะกับคุณการชนิดเทิดโยธินขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะขาเลยในวันนี้ค่ะขาเลยในวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการ Innovation For Life ก็หมดลงแล้วดิฉันคุณกนิททองเงาพร้อมด้วยคุณการชนิดเทิด